ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ il a a ah um. บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นห้นทางของอัลลอฮนั้นพระองค์ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล َالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا الْحَقُّ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَبَالَهُمْ نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ رَبِّهِمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَهُوَ كَفَّرَ كَفَّرَ ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและศรัทธานในสิ่งที่ถูกประท า, า, นน า, านแก่มูฮัหนนมหมัด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 ังนี้เพราะว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ปฏิบัติตามความเพศแต่บรรดาผู้ศรัทธา น, นั้นได้ปฏิบัติตามศัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรนของพวกเขาแก่พวกมนุษย์ก فإما من ا بعد وإما ف ِ داء حتى تضع الحب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليبلو و ب ع ض ك م ببعض والذين قتلوا في سبيل الله ف ل ن يضل أعمالهم และเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จงฟันคอเสียจงกระทั่งเมื่อพวกเจ้าปราพวกเขาจนแพ้แล้วก็จงจับพวกเขาเป็นเฉลยหลังจากนั้นจะปล่อยเป็นไทยหรือจะเรียกเอาค่าถ่ายก็ได้จงกระทั่งการทำสงครามได้สิ้นสุดลงด้วยการวางอาวุธเช่นนั้นแหละและหากเอาลอทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงตอบแทนการลงโทษแก่พวกเขา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 ل ل ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความพินาศหายนาจะได้ประสบแก่พวกเขาและพระองค์จะทรงให้การงานของเขารายผลท่านี้เพราะว่าพวกเขาเกลียดชังสิ่งที่ลอประธานลงมา พระองค์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผลพวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปในแผ่นดินดอกหรือแล้วพิจารณาดูว่าบั้นปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าพวกเขานั้นเป็นเช่นใด อลัลลอ์ได้สงทำลายล้างพวกเขาและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาก็เช่นเดียวกันท่งนี้เพราะวะอา่อัลลอฮ์นั้นส่งคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาและแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ مِنْ ทัดิ่ ر ขอَพระ م, م. ถ้าจริงละส่งให้บรรดาผู้ศรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลายเข้าสวนสวรรค์ต่าง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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسى وأنهار من لبنة لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. َأَنْهَارُمْ عَسَلِمْ مُصَفَّى وَلَهُمْ مِنْ ول فِيهَا وَمَغْفِرَتُمْ هُوَ وَسُقُومَا فِي อุปมาสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยำเกรงได้ถูกสัญญาไว้ในสวนสวรรค์ น, นั้น มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านไม่ผันแปร ى, ทั้งรสและกลิบและแม่น้ำเป็นนมหลายสายที่รสชาติของมันไม่เปลี่ยนแปลงและแม่น้ำจันหลายสายเป็นที่โอชาอร่อยแก่ผู้ดื่มและแม่น้ำที่เป็นน้ำผึ้งที่สะอาดบริสุทธิ์หลายสายและสำหรับพวกเข้าในสวนสวรรค์นั้นมีผลไม้หลายชนิด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 حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ان أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و ا ب ع أ و ا أهوهم ในหมู่พวกเขามีผู้ที่เงียวหูฟังเจ้าจนกระทั่งเมื่อพวกเขาออกไปจากเจ้าพวกเขาก็จะพูดแก่ผู้ที่มีความรู้ว่า เมื่อกี้เนี้มัวหมัดพูดอะไรกันชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อล่อทรงประทับตราหัวใจของพวกเขาและพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่าตามของพวกเขาส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องพระองค์จะทรงเพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา และจะทรงประธานให้แก่พวกเขาซึ่งการยำเกรงของพวกเขาดังนั้นพวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากวันอวสารซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างกระทันหัน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 ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอ์และจงขอไพยโทษ ต, ต่อความผิดเพื่อตัวของเจ้าเองและเพื่อบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและ AH อัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งถึงบริการของพวกเจ้าและที่อำนักของพวกเจ้ายกูลนมาร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 ดังนั้นพระองค์จึงทรงทำให้พวกเขาหูหนวกเป็นใบ้และตาบอดพวกเขาไม่ได้พิจารณาใครค่ครวนอัลกุรอานหรือหรือว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู่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 ท่านี้เพราะว่าพวกเขาได้กล่าวแก่บรบรดาผู้เกลียดชังสิ่งที่ลอส่งประธานลงมาว่าเราจะเชื่อฟังปฏิบัติตามในกิจการบางอย่างแต่ลอส่งทราบดีถึงความลับของพวกเขา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 ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเกล้วต่ออัลลอฮ์และพวกเขารังเกียจความโปรดปรานของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผลบรรดาผู้ถือวัจัยของพวกเขามีโรคคิดรู้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงนาเอาความอิจฉาริษยาของพวกเขาออกมา ให้เป็นที่ประจักษ์แล้วเากเขาเราราสิงที่พวเราประสงค์เราจะเปิดเผยพวกเขาแก่เจ้าและเจ้าก็จะรู้จากเขาอย่างแน่นอนที่เครื่องหมายของพวกเขาและแน่นอนเจ้าจะรู้จากพวกเขาในน้าเสียงที่พูด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 إِنَّ الَّذِينَ عَنْ كَفَرُوا وَصَدُّوا اللَّهِ وَشَاقُ الرَّسُولَ مَا سَبِيلِ لَهُمُ تَبَيَّنُوا تَبَيَّنَ يَضُرُّ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ بَعْدِ بَعْدِ الْهُدَى اللَّهَ ه مِنْ مِنْ مَا يُحبِطُعَماادَهُم ถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะปิดกั้นหนทางขอหล่อและต่อต้านรอซูล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 ย้งเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลคนนี้เถอะและอย่าทำให้การงานของพวกเจ้าไร้ผลอินนัลลีนะกะฟรุวะซดดูอันลลฮุมมมัตุทุมมตุวะฮุมคุฟะมฟะยัลลอฮุละแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกัน้นหนทางของอัลลอฮ พวกเขาตายลงโดยที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่อัลลอฮ์ะจะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาเลยดังนั้นเจ้าจงอย่าท้อแท้และเรียกร้องไปสู่การสงบศึกเพราะพวกเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือกว่าแล้วเราทรงอยู่ร่วมกับพวกเจ้า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 تدعون ل ت و ف ق و ا في سبيل الله فمنكم فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله ا ل غ ن ي وأنتم الفقراء. ت ت كم, พึงรู้เถิดว่าพวกเจ้านี่แหละคือกลุ่มชนที่ถูกเรียกร้องให้บริจาคในทางของอัลลอฮ์แต่มีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นผูต้ตรนีดังนั้นผู้ใดตรนีเขาก็ตรนีต่อตัวของเขาเอง